บทที่ยี่สิบแปดมิจฉาทิฏฐิคืนวันผันผ่านไปรวดเร็วราวกับติดปีกบินคณะนักปฏิบัติธรรมจากกองทัพโบกซึ่งมาปฏิบัติธรรมมวัดป่ามะม่วงได้หกคืนหกวันแล้วทว่าทุกคนกลับรู้สึกเหมือนว่าเพิ่งมาเมื่อวันวาน ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะความดื่มดำในรถพระธรรมทำให้พเพลิดพเพลินเจริญใจจนแทบไม่รู้สึกว่าเวลาผ่านไปผ่านไปข้ามคืนนี้จะเป็นคืนสุดท้ายที่พวกเขาจะได้กอบโกยบุญกุศลใส่ในกะมลกลับไปบ้านกลับไปแล้วหากไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติต่อก็ยังถือว่าได้มีทุนติดตัวไปในพบหน้าบัดนี้พวกเขาเข้าใจลึกซึ้งแล้ว ว่าบุญกุศลเท่านั้นที่จะติดตัวไปในสัมป라이ภพได้ส่วนทรัพย์สินเงินทองแม้จะมีสักร้อยล้านพันล้านหากก็นำติดตัวไปไม่ได้แม้แต่เฟื้องเดียวเวลาสองทุ่มเป็นเวลาที่ท่านพระครูต้องแสดงธรรมเหมือนเช่นทุกคืนแต่เนื่องจากเป็นคืนสุดท้ายท่านจึงใช้เวลาแสดงธรรมเพียงส0สิบนาทีด้วยรู้ว่าพวกเขา มีปัญหามากมายที่จะถามท่านและการที่จะเป็นไปตามที่ท่านรู้เพราะทันทีที่ท่านแสดงธรรมจบลงนายทหารผู้หนึ่งก็ถามขึ้นว่าหลวงพ่อครับพวกด็อกเตอร์เนี่ยตกนรกได้หรือเปล่าครับโยมว่าได้หรือเปล่าล่ะท่านย้อนถามผมว่าได้ครับถ้าเข้าเหล่านั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิตอนแรกผมนึกสงสัย แต่พอปฏิบัติไปได้สามวันก็หายสงสัยและมั่นใจว่าด็อเตอร์พวกนี้จะต้องตกนรกแน่นอนด็อเตอร์พวกไหนแล้วทำไมโยมถึงคิดว่าพวกเขาต้องตกนรกท่านพระครูถามอีกนายทหารวัยสี่สิบเศษจึงเล่าว่าคืออย่างนี้ครับหลวงพ่อวันหนึ่งผมได้รับเชิญไปฟังการอภิปรายทางวิชาการซึ่งทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้นที่โรงแรม เขาเอ่ยชื่อมหาวิทยาลัยและชื่อโรงแรมท่านพระครูรู้จักมหาวิทยาลัยและเคยรับนิมนต์ไปบรรยายธรรมที่นั่นหลายครั้งแต่โรงแรมท่านไม่รู้จักแล้วเกี่ยวกับด็อกเตอร์อย่างไรคือพวกเขามาเป็นวิทยากรครับมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงผมว่าตกนรกทางนั้นที่ว่าตกนรกก็เพราะพวกเขาตำหนิพระพุทธเจ้าครับ คนผู้ชายพูดว่าพระพุทธเจ้าตอนที่เป็นพระเวสสันดรทำไม่ถูกมาครั้งหนึ่งแล้วพอมาเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะก็ยังมาทำผิดอีกเขาว่าพระองค์ทำผิดตรงที่ทิ้งลูกทิ้งเมียหนีไปบวชตัวเขาเป็นคนรักลูกรักเมียมากจึงรับไม่ได้กับการกระทำของพระองค์ที่เห็นแก่ตัวพอเขาพูดอย่างนี้ คนก็พากันปรบมือชื่นชมว่าเขาพูดถูกแล้วก็พากันวิจารณ์การกระทาของพระพุทธเจ้าตอนนั้นผมรู้สึกโกรธแต่ก็ไม่รู้จะหาเหตุผลอะไรมาแยง้งแต่พอมาปฏิบัติธรรมที่นี่ผมก็หาเหตุผลได้แล้วก็มั่นใจว่าคนพวกนั้นต้องตกนรกแน่นอนเพราะนอกจากเขาจะต้องหนิพระพุทธเจ้าว่าทิ้งลูกทิ้งเมียแล้ว เขายังว่าพระองค์สอนผิดอีกด้วยผิดอย่างไรท่านพระครูอยากเห็นด้วยกับนายทหารผู้นี้ว่าดอกเตอร์ผู้นั้นต้องตกนรกเพราะความเห็นผิดเขาบอกว่าการที่พระองค์สอนเรื่องสันโดษก็เป็นเหตุให้สังคมไทยไม่พัฒนาเพราะคนมัวแต่ ง, งอมืองอเท้าจึงไม่เจริญเหมือนอเมริกาเขาจบมาจากอเมริกา อะไรอะไรก็ต้องตามอย่างอเมริกาจนผมนึกหมันไส้ในอนาคตประเทศที่จะต้องรับกรรมมากที่สุดก็คืออเมริกาเพราะเที่ยวก่อกรรมทำเวรไว้กับประเทศอื่นๆทั่วโลกตอนนี้กรรมยังไม่ให้ผลคนก็พากันชื่นชมนิยมยกย่องอีกยี่สิบปีข้างหน้าอเมริกาจะได้รับกรรม ท่านพูดเพราะเห็นและหลวงพ่อเชื่อตามที่นายด็อกเตอร์พูดไหมครับว่าคำสอนเรื่องสันโดษของพระพุทธเจ้าทำให้สังคมไทยไม่พัฒนานั่นเป็นเพราะว่าเขาเข้าใจคำว่าสันโดษไม่ถูกต้องกล่าวโดยสรุปก็คือ พระพุทธเจ้าทรงสอนให้สันโดษในทางวัตถุแต่ไม่ได้ให้สันโดษในกุศลธรรมสันโดษแปลให้เข้าใจง่ายๆว่าพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้เช่นโยมเงินเดือน1มื0นห้าโยมก็ต้องพอใจแล้วก็ใช้ส้อยไปตามที่ได้แต่ถ้ายมเงินเดือนเดือนละมืนห้า แล้วใช้เดือนละห้าหมืนโยมก็ต้องคอรับชั่นเพื่อหาเงินมาให้พอกับรายจ่ายเมื่อคอรับชั่นโยมก็บาปเพราะอย่างเนี้ยพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้สันโดษในวัตถุเพื่อป้องกันไม่ให้ไปทําบาปเช่นคอรับชั่นหรือการช่อราดบางังหลวงซึ่งมักจะเกิดกับพวกข้าราชการที่ขาดธรรมะ้อสันโดษถ้าถือสันโดษในวัตถุ ขอรับชั่นหรือว่าช่อราดบางหลวงก็จะไม่มีในวงราชการและสันโดษในกุศลธรรมเป็นอย่างไรคะคราวนี้คนถามเป็นนายทหารหญิงสมพานวัดป่ามะม่วงจึงอธิบายว่าพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้สันโดษในกุศลธรรมคือไม่ให้พอใจกับความดีที่ทำแล้วต้องทำความดีเพิ่มขึ้นไปอีก พระองค์ทรงถือสันโดษในกุศ ล, ลธรรมพระพุทธศาสนาก็ไม่อุบัติขึ้นในโลกยกตัวอย่างเช่นในวันที่พระองค์ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณทรงอธิษฐานว่าแม่เลือดและเนื้อในร่างกายของเราจะเหือดแห้งหายไปเหลือแต่เอ็นหนังกระดูก่กตามหากยังไม่บรรลุความหลุดพ้น เราจักไม่ลุกจากที่นั่งภายใต้ต้นอัศทัพพฤกนี้นี่คือความใหม่สันโดษในกุศลธรรมที่ทำให้พระพุทธศาสนาอุบัติขึ้นในโลกด็อกเตอร์คนนั้นแกไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของสันโดษถึงได้พูดอย่างนั้นและที่บอกว่าพระพุทธเจ้าทิ้งลูกทิ้งเมียนั้นก็เป็นการมองโดยเอาตัวเองเทียบกับพระพุทธองค์ ซึ่งเทียบไม่ได้พระพุทธองค์ทรงเป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีมาถึงสี่อสมขยแสนกับกว่าจะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าการที่พระองค์ตัดอาลัยในพระมเหสีและพระโอรสได้นับว่าเป็นความเสียสละอันยิ่งใหญ่ทรงสละความสุขส่วนพระองค์เพื่อความสุขของมนุษยชาติ แบบนี้จะว่าเป็นการกระทำผิดหรือว่าเห็นแก่ตัวได้อย่างไรโยมเห็นด้วยไหมเห็นด้วยครับผมก็เพิ่งคิดหาคำตอบได้ตอนที่ปฏิบัติสามวันที่ผ่านไปก่อนนั้นยังหาคำตอบไม่ได้นึกโกรธในดอกเตอร์คนนั้นแต่ตอนนี้หายโกรธแล้วครับพอรู้ว่าเขาต้องตกนรกก็เลยสงสารแบบนี้เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิใช่ไหมครับ ถูกแล้วและคนที่มีมิจฉาทิฏฐิพระพุทธองค์ตรัสว่าเขาย่อมมีนรกเป็นที่ไปเพราะเมื่อเขาเห็นผิดเขาก็ทําชั่วเมื่อทําชั่วก็ต้องตกนรกท่านพระครูอธิบายตามที่พระพุทธองค์ทรงสอนท่านเองก็มักจะพบอยู่บ่อยๆที่คนมีปัญญาทางโลกแต่กลับมืดบอดในทางธรรมพอมีปริญญาในทางโลกกลับคิดว่าตัวเองเก่งกว่า ดีกว่าพระพุทธเจ้าคนเช่นนี้มีอยู่มากในสังคมโลกมีใช่จะมีแต่ในสังคมไทยเท่านั้นและด็กเตอร์ผู้หญิงเขาตำหนิพระพุทธเจ้าว่าอย่างไรคะนายทหารหญิงถามนายทหารชายเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าลำเอียงครับนายทหารชายตอบท่านพระครูจึงแย้งขึ้นว่า พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งปวงแล้วจะลำเอียงได้อย่างไรการพูดจ้วงจาพระพุทธเจ้าแบบนี้บาปมากเลยนะทำไมถึงหาบาปใส่ตัวอย่างนั้นละ่ะสมภารวัดป่ามะม่วงพูดเสียงตำหนินั่นสิครับเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าลำเอียงเข้าข้างผู้ชายด้วยกัน เขามีหลักฐานอะไรถึงได้พูดเช่นนั้นแล้วก็ไปพูดในที่ประชุมอย่างนั้นถ้าคนฟังขาดปัญญาก็ต้องเชื่อตามเขาพวกผู้หญิงพากันปรบมือให้เขาใหญ่เลยครับเพราะเขาพยายามจะตั้งตนเป็นผู้นำในการเรียกร้องสิทธิสตรีเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าลำเอียงตรงที่บัญญัติศิขาบทให้ภิกษุ227ข้อ แต่พอถึงภิกษุณีกลับบัญญัติตั้งส1 1ออข้อพวกคนที่ฟังที่เป็นผู้หญิงก็เลยชื่นชมเข้ากันใหญ่ผมอดรนทนไม่ได้ก็เลยเดินไปที่ไมโครโฟนแล้วก็ตำหนิเขาต่อหน้าที่ประชุมว่าผมเสียดายความรู้ของเขามากอุตสาหเรียนมาจนได้ด็อกเตอร์แต่สิ่งที่พูดออกมาล้วนเป็นมิจฉาวาจาผมว่าอย่างนี้ครับโอ้โห ว่าเจ็บจริงๆและเขาไม่ด่าไฟแลบเลยหรือเขาก็คงด่าในใจหละครับแต่ผมไม่สนใจผมถือว่าผมทำหน้าที่ปกป้องพระศาสนาถ้ามัวเห็นแก่หน้าคนคนเดียวและทำให้คนเข้าใจพระศาสนาผิดๆก็จะเป็นบาปเป็นกรรมติดตัวผมด้วยเลยต้องจัดการอาตมาเห็นด้วยกับการกระทาของโยม ถ้าเป็นอาตมาก็ต้องทำอย่างนั้นเหมือนกันเดี๋ยวนี้คนบาปมีมากเลือกเกินหญิงรู้มากก็ยิงบาปมากน่าสังเวชใจนะโยมนะคนพวกนี้เขาไม่เคยอบรมกายไม่เคยอบรมจิตไม่เคยสนใจปฏิบัติธรรมจเจริญพระกรรมฐานเพราะคิดว่าเขาเก่งแล้วเลิศแล้ว ในอนาคตคนประเภทนี้จะเพิ่มจํานวนมากขึ้นหลวงพ่อคะดิฉันเห็นด้วยค่ะว่าคนที่จบด็อกเตอร์ส่วนมากมักจะมีอะไรเพียเพ้ยนๆดิฉันก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับด็อกเตอร์เช่นกันคะ่ะดิฉันไม่เข้าใจเลยว่าทําไมเขาถึ ง, งโง่เขลาเบาปัญญาถึงปานนั้นดิฉันเรียนน้อยกว่าเขาแต่ก็ยังไม่งมงายเหมือนอย่างเขา พันเอกพิเศษหญิงสุชาดาถือโอกาสพูดบ้างเพราะเธอมีประสบการณ์เรื่องด็อกเตอร์งมงายอย่างไงาล่ะผู้การสมพันวัดป่ามะม่วงถามคืออย่างนี้ค่ะลูกชายดิฉันเรียนอยู่มหาวิทยาลายัยเธอเอ่ยนาม มหาวิทยาลัยของรัฐที่เพิ่งเปิดสอนมาไม่นานที่นี้อาจารย์ของเขาเป็นด็อกเตอร์ค่ะแรกแพวกนักศึกษาก็รู้สึกศรัทธาเขามากเพราะเขาเป็นผู้หญิงแต่จบวิศวะซึ่งคนเรียนทางนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายเขามีอะไรอะไรที่ขัดกันในตัวคือแกร่งเหมือนผู้ชายแต่เป็นคนใจบุญใจกุศลเหมือนผู้หญิง และที่สำคัญก็คือเขาจะนุ่งชุดขาวตลอดพวกนักศึกษาก็นึกว่าเขาเป็นคนธรรมะธรรมโมแต่ตอนหลังเข้าไปหลงพระสีอานที่วังน้อยพระสีอานมาทำอะไรที่วังน้อยท่านยังบําเพ็ญบารมีอยู่ที่สวรรค์ชั้นดุสิตอยู่ยังไม่ถึงเวลาจะมาตรัสรู้ในโลกมนุษย์พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันยังพยากรณ์ว่า พระสีอานจะมาตรัสรู้ต่อเมื่อหมดยุคของพระองค์แล้วพระสีอานหรือในคำภีพระไตรปิฎกกล่าวถึงคือพระเมตยะที่เราเรียกพระองค์ว่าพระสีอริยะเมตตาทรงเป็นพระโพธิสัตว์ประเภทวิริยาธิกะต่องบำเพ็ญบารมีนานถึง16หอสงไขยแสนกับนานกว่าพระพุทธองค์ปัจจุบันถึงสบสองอสงไข แล้วทำไมอยู่ๆจะปรากฏที่วังน้อยอาตมาเชื่อไม่ได้เพราะขัดกับพระไตรปิฎกดิฉันก็ไม่เชื่อค่ะแต่ไม่ทราบว่าด็อตอร์คนนั้นทําไมแกถึงเชื่อและก็หลงไหลเอามากๆตัวเองเชื่อคนเดียวไม่พ อ, อยังบังคับให้ลูกศิษย์เชื่อพาลูกศิษย์ไปกราบไหว้ไปทําบุญครั้งละมากๆใครไม่ไปก็ถูกหักคะแนน พวกนักศึกษาก็อึดอัดใจมากเพราะไม่เห็นเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียนที่ว่าทำบุญครั้งละมากๆก็คือต้องทำบุญอย่างน้อยคนละห้าร้อยเงินไม่น้อยเลยนะคะหลวงพ่อที่สำคัญคือลูกชายบอกว่าพระศรีอานคนนี้เป็นผู้หญิงดิฉันว่าเพี้ยนกันไปใหญ่แล้วหลวงพ่อกรุณาให้ความกระจ่างแกดิฉันด้วยเถอคะ่ะ เป็นผู้หญิงด้วยหรือสวยไหมนายทหารหนุ่มคนหนึ่งถามขึ้นพี่ก็เคยถามลูกชายแบบนี้เหมือนกันเธอพูดกับนายทหารผู้อ่อนวัยกว่าว่าแล้วลูกพี่ตอบว่าอย่างไรครับเขาตอบว่าเหมือนผู้หญิงพัทยาครับคุณแม่พี่ก็ถามว่าเป็นยังไงผู้หญิงพัทยาเขาก็ไม่ตอบได้แต่หัวเราะ คำตอบของเธอทำให้ในายทหารผู้ชายพากันหัวเราะคิกคิกนายทหารหญิงจึงถามด้วยความกังขาว่าหัวเราะ อ, อะไรกันมีอะไรน่าขันนักหรือนายทหารหญิงรู้สึกกังขาหนักขึ้นพวกผมหัวเราะด้วยเหตุผลเดียวกับลูกชายพี่นั่นแหละครับนายทหารผู้อ่อนวัยกว่าตอบเหตุผลอะไรคราวนี้ถามเสียงห้วน ที่ลองถามหลวงพ่อดูสิครับคีคร้านจะอธิบายพวกผู้หญิงพาซื่อจึงถามท่านพระครูว่าหลวงพ่อคะพวกผู้ชายเข้าหัวเราะด้วยเหตุผลอะไรคะอาตมาก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันไหนโยมบอกมาซิหัวเราะอะไรกันท่านถามนายทหารผู้ชายหัวเราะที่ผู้การเขาไม่รู้จักผู้หญิงพัทยานะครับ นายทหารหนุ่มตอบและเป็นยังไงล่ะอาตมาเองก็ไม่รู้จักช่วยบอกหน่อยได้ไหมสมภารวัดป่ามะม่วงใครรู้หลวงพ่ออยู่แต่ในวัดก็เลยไม่รู้จักแต่ก็ดีแล้วล่ะครับหลวงพ่ออย่ารู้จักเลยเขาสรุปดือด้อท่านพระครูจำเป็นต้องใช้เห็นหนอเข้าช่วยด้วยอยากรู้ที่มาที่ไป เห็นหนอรายงานว่าความหมายของผู้หญิงพัทยาที่พวกผู้ชายเขาเรียกกันนั่นก็คือหญิงขายบริการท่านไม่เห็นด้วยกับการใช้คําเช่นนี้เพราะผู้หญิงพัทยาดีๆก็มีการเรียกเช่นนั้นจะทำให้ผู้หญิงที่ไม่ใช่อาชีพขายบริการพลอยกระทบกระเทือนไปด้วยท่านจึงห้ามว่าอาตมาขอร้องนะ อย่าไปเรียกรวมๆอย่างนั้นเลยเพราะผู้หญิงพัทยาที่เข้ามาได้เป็นอย่างนั้นก็มีอย่าไปเมาส์เอาว่าเขาจะต้องเหมือนกันหมดถ้าเข้ามาได้ยินเข้ามันก็จะไม่ดีหลวงพ่อทราบแล้วครับว่าผู้หญิงพัทยาถึกหมายถึงอะไรก็พอจะทราบเป็นอันว่าอาตมาขอร้องนะอย่าใช้คำพูดที่ทำให้เกิดความแตกแยก หรือทำให้คนฟังเกิดรู้สึกในทางที่ไม่ดีมันเป็นบาปเป็นกรรมไปกับตัวเราเองท่านขอร้องแกมบังคับนายทหารผู้ชายหน้าสลดลงนิดหนึง่งแล้วก็พากัน ร, รับปากด้วยเสียงอ่อยๆว่าครับหลวงพ่อ ท่านพระครูจึงพูดกับนายทหารหญิงว่าผู้การกลับไปบอกลูกชายด้วยนะว่าหลวงพ่อวัดป่ามะม่วงขอร้องห้ามไปเรียกใครว่าผู้หญิงพัทยาให้เลิกใช้คำนี้ไปเลยค่ะและดิฉันจะบอกเขาค่ะแต่หลวงพ่อคะดิฉันยังเล่าเรื่องพระศรีอานไม่จบคะ่ะขออนุญาตเล่าต่อนะคะ ตกลงเล่าได้เลยท่านอนุญาตพันเอกพิเศษหญิงสุชาดาจึงเล่าอีกว่าด็เตอร์ที่เป็นอาจารย์ของลูกชายดิฉันเขายังบอกกับพวกลูกศิษย์อีกว่าผู้หญิงพัทยาเออขอโทษค่ะผู้หญิงคนนั้นนอกจากจะเป็นพระศรีอารแล้วยังเป็นพระพุทธมานดาอีกตําแหน่งหนึ่งค่ะท่านพระครูกาลังจะฉันน้าชาที่ทาจากต้นใต้ใบ กับต้นไมายารากก็มีอันต้องสำลักเพราะกำหนดไม่ทันอะไรกันนะใครเป็นพุทธมารดาท่านถามพลางลดถ้วยน้ำชาลงเห็นไหมอาตมา ต, ตื่นเต้นตกใจจนสำลักน้ำเลยท่านพูดยิ้มยิ้มนายทหารผู้ชายที่นั่งหน้าสุดจึงหยิบกระดาษเช็ดหน้าส่งให้ท่านเช็ดปาก ผู้หญิงคนที่ด็อกเตอร์เขาบอกว่าเป็นพระศรีอานนั่นแหละหลวงพ่อเขาบอกว่าเธอเป็นพุทธมารดาอีกตำแหน่งหนึ่งด้วยค่ะผู้การสุชาดายา้ำจะเพี้ยนกันไปใหญ่แล้วนี่แสดงว่าด็อกเตอร์คนนั้นไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเลยสงสัยว่าไม่เคยเรียนพุทธประวัติอาตมาฟังแล้วอยากจะเป็นลม นี่ชาวพุทธเราเลอะเลือนเลื่อนเปื้อนกันขนาดนี้แล้วหรือแล้วใครจะมาปกป้องพระศาสนาได้ละ่ะในเมื่อพุทธศาสนิกชนพากันเชื่อถือในสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้ดตรัสสอนอัตมาฟังแล้วรู้สึกเป็นห่วงพระพุทธศาสนาเลอกเกินถ้าเราไม่ศึกษาพระศาสนาให้เข้าใจอย่างทองแท้ในอนาคตข้างหน้า พระพุทธศาสนาจะหมดไปจากประเทศไทยอาตมาขอทำนายอีกไม่เกินสองรปีพระพุทธศาสนาจะหมดไปจากประเทศไทยและจะไปเจริญรุ่งเรืองอยู่ในประเทศตะวันตกอย่างที่พระอริยะเจ้าทั้งหลายทนทำนายไว้ว่าในอนาคตการพระอาทิตย์จะไปขึ้นทางทิศตะวันตกคำพูดของท่านทำให้คนฟังรู้สึกจิตใจหดหู ด้วยนึกเสียดายของดีที่บรรพบุรุษได้ดำรงรักษาไว้ให้อนุชนแต่จะมาสูญสิ้นไปเพราะความโง่เขลา ว, วาปัญญาของชาวพุทธนี่เองเมื่อต่างคนต่างคิดภายในหอประชุมนั้นจึงถูกความเงียบเข้าครอบงำท่านพระครู ป, ปล่อยให้พวกเขาคิดอยู่จนเป็นที่พอใจแล้วจึงพูดขึ้นว่าน่าเสียดายนะ คนไทยเกิดมากับพระพุทธศาสนาเรียกว่าเกิดมาพบของดีแต่กลับไม่รู้ค่ะในอนาคตชาวพุทธจะไม่รู้้วยซ้าว่าพระพุทธเจ้าเป็นใครบางคนก็ไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงอย่าว่าแต่ครือขัดเลยแม้พระสงฆ์องค์เจ้าก็จะเครือบแคลงสงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือ ท้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะท่านไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติเรียกว่าปริยัติใหม่รู้ปฏิบัติก็ไม่มีจึงไม่เกิดปฏิเวทพอตัวเองใหม่รู้หรือรู้แบบงูงูปลาปลาเกาะไปสอนญาติโยมผิดผิดเช่นสอนว่าบาปบุญใหม่มีนรกสวรรค์นิพพานใหม่มีการเวียนว่ายตายเกิดหรือสังสารวัติใหม่มี คนก็จะพากันเห็นผิดเมื่อเห็นผิดก็จะพากันตกนรกเพราะพระพุทธองค์ตรัสสอนว่าผู้มีความเห็นผิดจะไม่ชั่วนั่นไม่มีหมายความว่าเมื่อเขาเห็นผิดคือเห็นว่าความชั่วไม่มีเขาจึงทำความชั่วเมื่อทำความชั่วก็เลยต้องตกนรกในอนาคตพระสงฆ์องค์เจ้าท่านไม่หวังนิพพานกันแล้ว แต่จะหวังลาบสักการะแทนท่านจะแข่งขันกันสะสมเงินทองและก็มาคุยอวดกันว่าฉันมีกี่ล้านมีรถเบน์กี่คันแข่งขันกันสะสมรถเบนส์สมพานวัดป่ามะม่วงพูดยังไม่ทันจบพลตรีสิครินก็พูดสวนขึ้นมาว่าและท่านก็ขับรถเบน์แข่งกันไปลงนรก